ท่านอะไรที่บทใหม่น่ะชื่ออยู่ถามเรื่อยชื่ออื่นจไม่ได้จะดูล่ะลแล้วเป็นไงฟังธรรมะวันนี้ใจมันสงบดีสงบไหมไอืมวเวลาฟังให้จิตรู้อยู่กับตัวเนี่ยแล้วธรรมะแ้ากระแสของธรรมจะเข้ามาก็ามาจะรับทราบกับจิตติดต่อเรื่อยกัน ไ, ไปเลยแล้วจิตก็สงบในขณะฟังฟังธรร ท่านพูดถึงอันดีสงในการฟังธรรมมีห้าอย่างะการฟังธรรมจะได้จะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วจะทําความแจ่มแจ้งได้จะทําความหมาถูกต้องได้แล้วอะไรผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่นิมแม่ไม่ทราบได้กี่ข้อข้อมัน ตั้งแต่นักทำตรีมาน <c oughs> ันมันจะไปเหลืออะไรวะคือผู้ฟังทํทำยอดได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินในฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินฟังนะแต่ยังไม่เข้าใจยังได้เข้าใจเจ่มแจ้งมาสามจะบันเทาวคํามสงสจะได้สี่ทำความเห็นที้ถูกต้องได้ห้ากี่ฟังย่อมผ่องใสไหนฟังสิทําวาเห็นที่ถูกต้องได้นี่ถ้าเราก็มีความเห็นอะไรเราแค่ละคลายหรือไม่สนิทอยู่กับอะไรเนี่ยทำแงว่ใดเวลาครูบาอาจารย์พูดไปฟังแบบมันก็เข้าใจ จิตผองใสเนะี่ยคือจิตมันสงบมันก็พองใสตอนนั้นนะทําอํานาจของทำกระแต่ของทำกล่องอยู่ดีหรอว่ า, วาทาละล้างอยู่ตลอดมันก็จินก็พองใสยเย็นสบายนั่นอธิสงในการปังธรรมเขาบอกว่ามีห้าอย่างแต่จิตผองใสนะั้นสําคัญเด่นชัดละ่ะ ผมพูดคงตามความรู้สึกมันความมันติดม on si ันพันมันเกาะมันซึ้งในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นนี่ผมยังไม่เห็นที่ไหนอ่ะผู้ที่เกิดเทศเหมือนอย่างพ่อแม่คอาจารย์มั่นเพราะนั่นลำมันจึงจะพูดว่าทิฏฐิมันเป็นทิฐิสูงถ้าเป็นหูยิ่งกว่าหูยองแม่อีกว่างั้นเวลาคนร่วงเวลาท่านร่วงไปแล้ว ถ้า ข, ขนาดที่นั่งอยู่ข้างศพท่านนั่นเน่ะท่าเลื่อนเดือนล่างของท่านที่หาวิญญาณไม่ได้แล้วน่ะนั่งอยข้างๆนี่สัมผัสจิดสายจิดไปไหนไม่เกาะเลยนั่นที่จึงได้ใช้ความบำพึงเล้วจะมากมายตามที่เขียนไว้นั่นเพราะความลงในท่านเท่านั้นมท่านพูดตรงไหนปัญหาที่ข้ามาไหนตาท่านที่แรกฟังเทศไม่ท่านไม่ออกนะผม แบกแต่ปริยัติลงไปก็แบกแต่ก่เลดไปเราตอนนั้นจิตมันเสื่อมได้วจนหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่วความพุ่งสัน้นเป็นืนเป็นไฟแบบท่านมันจเจ้าอะไรมาฟังออกหละ่ะมีแต่กิเลสมันปิดมันกั้นไปหมดไม่หาช่องทางที่ทำ ท, ท, ท, ท, ท, ที่ทําจะไหลเข้ามาไม่ได้เลยแล้วเอาใจอะไรมาเข้าใจมันดีนึงที่มันไม่เคยตำหนิท่านนิดนึงก็ไม่มีมีเห็นไม้ที่นี่หว่าบ้าจะของสึงมึงถึงกูเถอะนะ เพราะนิสัยเรามันเด็ดมันจริงนีง่นันมีอะไรเสียหายนี่คือพูดของเราก็เพื่อดีสําหรับเราเนี่ไม่มีอะไรเสียหายรู้ไหมรู้ไห ม, ไหมที่เหนือแต่ก่อนอยู่เทศฟังเทศสมเด็จต้นล่ามันก็เคยฟังไว้เพราะว่าเขาเข้าใจที่นี่เทศพ่อแม่ครูวิญญาณนี่ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยแล้วไม่เข้าใจรู้ไหมที่เหนืของโง่นั่นมันเอาจะาของนั่นท่านยังไม่รู้รู้เสียที่ไหนทันเทศขนาดไหนเสียงลั่นโลกถัท ก็ยังไม่เห็นเข้าใจคือท่านเทศถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องมีโมดุพน์กินเ้ามันไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเลยมันมีตะกิเลตเต็มหัวมันมันก็ไม่เข้าใจสพอดําเนินกิดถ้าได้ความสงบได้เท่านั้นแหละที่นี่นะเออฟังเทศนิ้วหูฟังเทศท่านนะมันแ พ, พร่ละเพราะพิ้งอะไรนั่งหนาเพลินไปจนกระทั่งลืมไปล้ำเวลาไม่สนใจนอะไรเลย หนักเข้าหนักเข้าไอ้ธรรมะของท่านที่เสียงนั่นเป็นผิวเผินผิวเผินหนิสูงสูงหนิจิตงเรามันดิ่งอยู่ข้างล่างปกติท่านี่แว่วแว่แวแ่แว่แวหนิเวลามันถึงเพียงมันเต็มที่นะมันมันปล่อยแนะต่นนั้นที่แรียกอาศัยทํามอาแสของธรรมอ่ะเสีงของเสียงน่เสียงของธรรมน่ะเกาะอยู่ตรงนั้นกิจอจ่อจ อ, จอแล้วค่อยถอยตั ว, ต ว, ตวลงถอยลงนี่เย็นลงเย็นลงไปนี่เสียงนั่นมันมันเหมือนดูง อันนี้มันหลงของมันนี่มันก็ไม่เกี่ยวขวออไไ้องกับอะไรมันเทศต้องต้องโโหยสองสามสี่ชั่วโมงนะอมันเทศจบลงแล้วทั้งนี้ยังนิ่งอยู่มันหัวต่อก็มันเพลินอยู่นั่นเพลินใ น, นตัวเองนั่นที่นั่นนิ้วไม้ตั้งหลักมันเข้าใจพอากิตมันมีรา่มีฐานในความสงบตอนนั้น่ะทำมาจนไหลออ ก, ม า, กมาไหลก็มาเข้าใจนี่เพลินเพลิ น, นท่านี้อ้าววันไหน ที่ท่านจะไปไประชุมเทศถึงวันประชุมแล้วมันก็ยิ่มเหมือนจะเหาะจะบินมันเป็นงั้นหัวใจเรานะฟังนี่มันจ่อตลอดเลยเนะ่ะยิ่งไปที่อื่นมานะั้นยิ่งนั่ยิ่งเลยเพราะจะฟังให้ถึงใจให้เต็มหัวใจทีไปสี่ห้าวันกลับมาแล้วเนะ่ะมันไปติดปัญหาปัญหาเกิดขึ้นในตัวเองเนะี่แหละมันไปไม่รอด บางปัญหาบางอย่างมันเหมือนหอกเหมือนหล่านี่ทุกทิก่มแพงคนนี้ต้องได้กลับมาท่านประกอบเล่าถวายท่านจบลงพ้าท่านใส่เปี้ยงหเดียวเท่านั้นนพังเลยนั่นกลับขึ้นไปนี่โอ้ก็หยิ่มนั่นหมดเสี้ยนหมดหนามนั่นนี่ผู้วาจารย์ผู้ลูกยิยงจริงท่านใส่พังเดียวนะไม่ไม่มากอะไรเลยลงเพว่อเลย ไม่อยากฟังเทศไขยดีม่นยิ่งทำมาส่วนละเอียดไปแล้วสติปัญญาตนุมัติเข้าไปแล้วนั่นนะมันยิ่งไม่สนใจเราใครเลยนะเพอะไรมันไม่ถึงใจมันไม่ทันใจดูจึงนี้งล้าพูดเต็มปากเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มันใมันลง คือมันจำได้ทุกระยะระยะที่เกี่ยวกับท่านอะไรสำคัญสา ค, คัญมันจะจำได้ทุกระยะระยะไม่เคยลืมก <c ười> ็คือท่านซอกแซกซิกแซกท่านขุดท่านค้นขึ้นมาเวลาเทศยนนั่นมันฟังนี่เพลินเพลินสติปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้ว ท่านขุดท่านค้นท่านขุดท่านคุยขึ้นมาให้เราฟังตามเหตุตามผลเหมือนกันแหมมันเท่านนพสติปัญญาเรามันก้าไม่ออกมันไม่ก้านี่เหมือนขาเต่ามันอยู่ในกระดองมันงมันไม่ก้าวออกมาแต่หัวมันก็ไม่โถออกมาเต่าทั้งตัวอันนี้คือเหมือนเราเหมือนกันใจเรามันอยู่ในกระดองมันไม่ออกเวลาท่าน อธิบายนี่ท่านเปิดเหมือนกับว่าเปิดโลกกระถางตอนั้นเดน่ะจิตมันก็ได้โผล่โผล่โผล่ออกมาตอนนั้นเลยเพิินเลยท่านจบแล้วยังเสียดายยังยางอะไรท่านเทศต่อไปอีกมันปัญญาไม่มีทางออกมันอยู่มันอยู่มัดมันมันหมดปัญญาเวลาท่านเทศนโอ้มันเพลินเพินของสติปัญญาท่านเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรเปรียบทรองฟ้ามหาสมุทร ไม่มีอะไรมาจีดมาขวางอนอกจากกิเลสอันเดียวเท่านั้นมันจีดขอางมาใจเมื่อหมดอันนี้แล้วจะอะไรจะมาขวางวะนั่นเป็นอวกาศยังพูดถึงว่าอาวกาศของกิตของธรรมมันแล้วในหนังคือก็บอกว่าตามหลักธรรมชาติทมันเป็นของจิตนี่นในใจะว่าอะไรหาอุตลีมาพูดอะไรมันไม่กิน ความจริงนพะพี่ศาสนาเป็ของจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติเพว่ความจริ ง, ร ท, รงทำไมจะไม่รู้ความจริงเมื่อรู้แล้วต้องทาไมจะพูดไม่ได้หรอมันต้องพูดได้หันที่ตะกูลูกกูไ็่รู้เะไรอย่างไรมาสินีมันคือามาโยม่บอกมานี่บอกไม่ต้องอ่นีบอก้เเ ม, มืองไทยเราม่มีอะไต่ามีด้นเสียงนั่ น, น, น, นอยงอนทุกข์มไม่ว่าภาคไหนเหมือนกัน มันเป็นหมดทั้งภาพทั้งประเทศมันชอบด้วยชอบเตือนมันเป็นเมืองเด็กชอบชอบพีหากันเด็กมันชอบองนั้นเนี่ยเมืองไทยเราตัวเป็นเมืองเด็กเมืองอิสระเมืองสะดวกสบายมาแต่ไหนแต่ไร ไ, ไม่ได้รับความอุดยากขาดแคลนแกนอะไรมันก็สนุกอืมสนุกเล่นสนุกกินกันปุ่นง่ายๆนะแล้วเป็นมาแต่ น, นูนมาจมังดได้ทุกวันนี้ทุกวันนี้ ถึงจะลำบากบ้างนิสัยนั้นมันก็นยังหนอ่บไปอยู่ไหนมันมีเช่นองไปเมืองนอกมันก็นเป็นนนอยพระมีอพิธีดีตองอะไรขึ้นเพื่อจะเพื่อเพิ่มบ้านนะมีจะได้นี่พูดถึงเรื่อนิสัยคนไทยเราเวืว่อเราก็เป็นคนไทยเป็นไรก็เราพูดกลางๆเป็นตามเหตุตามนลคนถ้าเราไปอยู่ไหนมันมักเป็นอย่างนั้นไปอยู่เมืองนอกมันก็มีเมืองเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่มีไอ้เราก็ไปมีจนไดนะ้ะ จนเขามีกดข้อเข้ามาบีบบังคับออกมาให้เป็นอย่างนั้นมันเกินไปเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ว่าส่วนเรื่องทํามันก็มีข้างข้างอยู่ในใจที่เขาสแสดงตามที่บอกมันก็มีเห็นเราไม่ไปถือเป็นข้อรังเกียจข้อลบเป็นเรื่องรบ ก, กวนอะไรเราก็สบางกันก่อนถ้าผมเองอยู่ไหนมันอยู่ได้หมดเรอกใารจะว่าบ้าก็ตามมันเป็นอย่างนั้นเข้า ใ, ใจนี่พูดแย่ไปตามสมมุติเฉยเพูดตามหลักธรรมาชาติแล้วมันไม่มีอะไรมายุ่งใครใครมายุ่งบะเนี่ย ชีวนี้ก็รู้กันหมดเอาอะไรมายุ่งวะนี่มันคือแยกพูดพูดไปหลายประเภทแยกไปหลายประเภทหลายแขนงของสมมุติปัจจานั่นเองเพื่อพูดที่อยู่ในนี้นี่จะได้ถือเป็นคติและยึดไปถือถ้าจะเอาเต็มๆว่าอิ่มทีเดียวนั่นมันก็เกินไปอิ่มเนี่ยมันใครกันรู้ด้วยกันทุกคนะแต่ความอิ่มนี้มันเอามาจากอะไรนั่นสิเอามาจากอาหารอาหารอาหารอะไรบ้างไงแยกแขนงมันออกไปเป็นข้าวเป็นน้าเป็น ผักเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นพริกเป็นอะไรแย่ออไปแย่ออกไปนี่เหมือนกันท้นทองมาอยากยุ่งนะมันน่ะจำเป็นได้ยุ่งนี่ที่ว่าทำไมเสียเพราะนี่แหมพระเจ้าท่านพูดตรงนี้ซึ้งมากทีเดียวนะพระวินัยก่อนนี้ ชาตรูปอะไรต่างกันท่ากันห้าปอร์เซ็นต์กินจังหาิใหญ่ยังนิสิตียังตากี่เดียงนี่รู้สึสกแ้เงินและทองเอ็ก็ดีชาตาผู้อื่นนับน ก, ดบกด็ดกีคิดดีในสิ่งที่เขาัำไว้เพระตนก็ดีของนั้นต้องนิสิีต้องเสียสนะเจ้าของต้องอาบัตตาิกี่เีนี่เป็นเป็นข้อบัญญัติแรกนั่นในชาติรูปชาตรูปเป็นข้อแปลกด้วยไ ดืงในปัจจมกข้อที่แปดนี้ใช่ไหมชาลูชาตรูไปยตางกนาามามันห้นอย่างครับไปวันอุปนิกติต่างกันใช่เลยนี่ ย, ยียงปัจจิ๋วยี่ะองนะนะข้อไหนต่อมานี่หรือฮะที่เจ็ดหรือแมนมาฮะ เนี่ยมันมันถูกไอ้เทาอีน่ะมันไม่เป็นธาตเป็นทางุอย่างมันมันนับได้แต่กย็งอกหอมเลยพวกเนี้ยอ๋อปาม่าสวยเทาอะไรนี่อี่นี้ทีนี่อันนี้ท่านยันไว้เลยนะไม่ให้รับให้ยินดีเลยตัวรับเองก็ดีใช้คนรับก็ดีหรือยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้เขตนก็ดีตราบอับดันไง ของนั่นเป็นนิสสีต้องเสียสลักนิสสีย่าแปลว่าต้องเสียสลัะปายิธีตกลจะของเป็นปายิธีเสียสลั น, นทำให้ท่ามกลางสงด้วยนะไม่ใช่เสียสลัธรรมดาของอันนี้เป็นนิสสีเสียสลักในท่ามกลางสงนู่นนะฟังดิถ้าเราเด็ดเอาขาดขนาดนั้นนะแล้วสมมุติสงสงสมส ม, สมุติพระรูปใดไปปาเขาปากถาไม่กําหนดที่ตกถ้ากําหนดที่ตกต้องปาประบาดอีกนู่นนะฟังดินี่เป็นบัญญัติข้อแรกเลย บงต้นเลยมะสมจริงๆกับความรูละลามของที่เดชสังหาของพระเรานะอ้ะนี่ต่อมานี่ก็เลยเมตต ะ, ะเศรษฐีไปไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าขอให้ทรงผ่อนผันว่าพระที่มามาบวชนีมาจากสกุลต่างๆละเอียดละออมากือมีเช่นเป็นพระาหากษัตรเป็นเศรษฐีอุรมพีอะไรก็แล้วแต่ในความ อยู่การอยู่การจรินการใช้การสอยมีความเดี่มน้ำั่างศูนย์ต่างกันอยูม่มากไม่เหมือนกันเสมอไปยังขอรหยนต์ปลอนผันให้คนใดคนหนึ่งรับไว้ใ ห, ใ ห, ให้รับกับปิยะคือเงินนี้ได้ให้คนอื่นรับไว้ให้พระองค์ยังย่ำเขาอีกเอาถ้าย่งั้นก็ให้ยินดีให้คนอื่นรับไให้ แล้วให้ยินดีในกปิยาพันธ์เท่านั้นนะแต่จะมายินดีเงินทองที่ก็เก็บไว้เพื่อตนนี้ไม่พ้นอวบหนักต่ังทีคือให้ยินดีในกปิยาพันธ์นั่นต่างที่อากาที่เอาเงินนี้ไปแลกเปลี่ยนมาให้ยินดีในสิ่งนั้นต่างนี่นะต่างที่น่หละเราก็ไม่ได้แค่เป็นต้นมันอยัติที่บัญญัติเบิ้อแรกก็คือชาตรูไปไประต่าง อุกันให้อวาาัตรตอนนับเองก็ดีอุกัญท่าปายาจําลืนให้นับก็ดีอุปนิสกิตว่ารชาริยะนี่ห ร, รือยินดีในเงินในทางที่เขาเก็บไว้เพ่อตนก็ดีนี่จะขีอย่างสนั่นของนั้นต้องเสียสนะนี่ปลายแดงเจ้าของเป็นประบาดปลายจินี่น่หละเป็นบัญญตัติเบื้องต้นนะเมตกรรบัญญตัติเมตกรรมนุ ญ, ญตเนี่ก็เลยมันมันเทียกว่าเป็นเมนตกรรมเมตกรรมอนุญาตเป็นเมตกรรมบัญญตัติคือจึงมาแกกผ่อนผันใหม่แต่ยังขาดไว้ว่า ให้ยินดีเฉพาะเงินทองเนี่ยลงเน่นลงตรงนี้นะให้ยินดีเฉพาะสิ่งที่เป็นกับพิยพันธ์ที่ได้เพิ่มเด็จมาจากการเปลี่ยนเพราเงินทอง น, นี้เท่านั้นถ้ายินดีนอกเหนือจากนี้ไปปรับไม่กนาา้นอวบเลยเปลาาานะ่าอวบนะตงนี้มันยังมีแล้วเมื่อเร็วนี้ก็ก็หักห้ากันไม่สักสีห้าวันนี้พระองค์หนึ่งอายุห้าสิบกว่าองค์หนึ่งเจ็ดสิบยืมเงินกันห้าร้อยบาท ท่านนี่ขันยืมเวลาก็ยืมไปเลยเต่าซานีินกรไดพวกนั่นเขินได้เงินก็ขอมาท่วงเลยแล้วอะไรเขี่ยดะไรกัน่ากัน น, น, นั่นนี้เป็นยังไงนี่ทั้งเงินมันเป็นเรื่องของเล่นเล็ก น, น, น้อยมหมดเลยเห็นไหมมันฆ้าที่ถูกเขาป้นเขาขี้อะไรนี่เป็เรื่องนี่เรื่องเงินวิทยาศาสตร์ตัดออกอเสียวเรื่องถึงที่เป็นภัยเป็นเวรเป็นข้อของนนังวนภายในจิตใจ ของพระออกเหมาะขนาดนั้นแล้วแต่มันก็คว้ามาเาขเา่าหัวมันจนได้เหรอเห็นพระมันเป็นพระเทวทรรัตดวงเลย ไ, ไม่พระดุศีตาถาก็เนี่ยพระเทวทรรรัตไม่ติดกลัวครูกลัวอาจารย์โอ้ทําไมทำไ ม, มเคเป็นทองแตงมึงผมกินเหยื่อือกเมื่อก่อนนี้คุณซ่องเป็นแผ่นนี่เหมือนเป็นมัตส์ใบใบมึงจำดูกินไม่ในในผิดหรอมึงส่องไม่ผิดเป็น่นนอง อืมม <usion> ีก็ออ <ICH> ันนี้เลือกันนะเก็บกันี้